ธรรมะคำสั่งสอนของพระภูมิประภาคเจ้านั้นสว่างขาโตภกวตาธรรมโมเป็นธรรมะอันประภูมิประภาคเจ้าตรัส ด, ดีแล้วสัน้นนิติโกอันภูปฏิบัติผู้ได้บรรลุพึงเห็นเอง อากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาเอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดูโอปนณะอิโกควรน้อมเข้ามาปัจจตังเวริตะโบวินยูหิอันวินยูคือผู้รู้เพิ่งรู้เฉพาะตนธรรมะทุกบท ย่อมประกอบด้วยพระธรรมคุณทั้งหมดนี้แต่การแสดงได้แสดงมาทีละบทและยกขาธรรมะเข้ามาประกอบเพื่อเน้นในข้อว่าอันภูรูเพึงรู้จะเพาะตนในข้ออื่นก็เช่นเดียวกันและได้แสดงมาถึงหมวดโพธชง ทีพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ขัดจากมูดอาจตนะในมดูดธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานสร้างสติกำหนดตามดูตามรู้ ตามเห็นธรรมะอันโพธิชงเป็นคำเรียกสันส้นๆเรียกเต็มว่าสัมโพธิชงที่แปลว่าองค์ของความรู้พร้อมเป็นธรรมะหมวดสำคัญที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ในฐานะสองอย่าง คืออย่างหนึ่งในฐานะที่ต่อเนื่องโดยมากก็ตัดแสดงไว้ต่อเนื่องจากสติปัฏฐานคือสติปัฏฐานโพชงวิชาวิมุตตต่อเนื่องกันไปอีกฐานะหนึ่ง สรัสสอนโพษชงไว้โดยเอกเทศเป็นหลักปฏิบัติทั้งหมดดังเช่นเป็นหลักปฏิบัติในกรรมฐานแม้ที่เป็นสมถกรรมฐานทุกข้อก็ปฏิบัติตามหลักในโพธชงทั้งเจ็ดนี้ ดังเช่นเจริญปรมวิหารสีคือเมตตากรุณาบุติตาอุเบกขาก็ตรัสว่าตั้งสติก็ตรัสว่าอบรมสติสัมโพธิชงประกอบด้วยเมตตา อบรมธรรมวิญญาณสัมโพชฌงค์ประกอบด้วยเมตตาอบรมปริยะสัมโพชฌงค์ประกอบด้วยเมตตาอบรมปีติสัมโพชฌงค์ประกอบด้วยเมตตาอบรมปัสจิติสัมโพชฌงค์ประกอบด้วยเมตตา อบรมสมาธิสัมโพชฌงค์ประกอบด้วยเมตตาอบรมอุเบกขาสัมโพชฌงค์ประกอบด้วยเมตตาข้อกรุณาก็เหมือนกันมุทิตาก็เหมือนกันอุเบกขาก็เหมือนกันแม้ในกรรมฐานหมวดอื่นเช่นอสุภกรรมฐานสิบแต่ละข้อ ก็คืออบรมสติสัมโพธิคงเป็นต้นประกอบด้วยกรรมฐานข้อนั้นๆแต่ละข้อก็โดวยวิธีที่อบรมโพธิคงทั้งเจ็ดนี้คืออบรมโพธิคงทั้งเจ็ดนี้ประกอบด้วยกรรมฐานข้อนั้นๆ ไปทุกข้อเพราะฉะนั้นจึงหมายความว่าในการที่จะปฏิบัติทำกรรมฐ า, านทุกข้อเช่นทำอาณาปานสติตนน้นอีกกำหนดลมหายใจเข้าออกก็ปฏิบัติด้วยวิธีของโพชงคือปฏิบัติ สติสมโพธิ์ชงเป็นต้นอันประกอบด้วยลมให้ใจเข้าออกประกอบด้วยสติกำหนดลมให้ใจเข้าออกตามฐานะดังที่กล่าวมานี้โพธิชงจึงเป็นหลักปฏิบัติในกรรมฐานทุกข้อ การปฏิบัติในกรรมฐานทุกข้อก็พึงปฏิบัติตามหลักของพุทธชงทั้งเจ็ดนี้เช่นจะทาอาณาปานสติก็โดวยวิธีที่ทาสติสมพุทธชงให้ประกอบด้วยสติกหนดลมหายใจเขาออกทาวิเชยะสมพุทธชงเป็นต้นก็ให้ประกอบด้วยอาณาปานสติ จนถึงอุงเบกขาสัมโพชง <c oughs> ก็ให้ประกอบด้วยอาณาปานสติคือปฏิบัติอาณาปานสติด้วยโพชงทั้งเจ็ดนี้เพราะฉะนั้นโพชงจึงเป็นธรรมะหมวดสำคัญที่จะต้องปฏิบัติทั้งนั้น ในการปฏิบัติธรรมะทั้งปวงดังที่กล่าวมาเพราะฉะนั้นก็ควรทำความเขดใจไปแต่ละบทก่อนสติสัมโพธชงสมโพธชงคือสตินั้นก็ได้แก่สติความระลึกความกำหนด และสติดังกล่าวนี้คือที่เป็นสัมโพชงก็เป็นสติเพื่อรู้คือเพื่อปัญญาความรู้ทั่วถึงเพื่อยานความยังรู้เพื่อสัมโพทะหรือสัมโพธิความรู้พร้อม หรือความตารัสรู้พร้อมและสติดังที่กล่าวมานี่ก็จะต้องมีอาหารของสติเหมือนอย่างร่างกายต้องมีอาหารสำหรับบารุงร่างกายอาหารของสติสัมโพชงก็ตัดว่าได้แก่ธรรมะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสติและโยนิโสมนสิการความทำไว้ในใจโดยแยบคายก็คือพิจารณาจับเหตุจับผลเมื่อมีธรรมะอันเป็นที่ตั้งของสติและมีโยนิโสมนสิการ ก็ยอมปฏิบัติทรรมสติสัมโพชฌงให้บังเกิดขึ้นได้ธรรมวิจยะสัมโพชฌงโพชงคือความเลือกเฟ้นธรรมหรือวิจัยธรรมก็เพื่อรู้นั่นเองและก็ต้องมีอาหารเช่นเดียวกัน อาหารของข้อนี้ก็คือธรรมะที่เป็นกุศลและเป็นอกุศลธรรมะที่มีโทษและไม่มีโทษธรรมะที่เลวและประนิตธรรมะที่เทียบกับขาวและดำกับ โยนิโสมนสิการความพิจารณาโดยแยบไข่คือจับเหตุจับผลวิริยะสัมโพชงสัมโพชงคือวิริยะความเพียรก็ต้องมีอาหารเช่นเดียวกันอาหารของข้อนี้ ก็คืออารัมภะธาตุทาความเพียรให้ทรงตัวขึ้นโดยอารัมภะคือความริเริ่มนิกมาธาตุทาความเพียรให้ทรงตัวด้วยความดําเนินไปบรลักขมาธาตุทาความเพียรให้ทรงตัว ด้วยปฏิบัติให้ก้าวหน้าไปจนบรรลกถึงความสำเร็จกับโยนิโสมนสิการพิจารณาโดยแยกายจับเหตุจับผลปีติสัมโพชงสัมโพชงคือมิคือสติคือปีติก็ต้องมีอาหารเช่นเดียวกัน อาหารของข้อนี้ก็คือธรรมะอันเป็นที่ตั้งของปีติกับโยนิโสมนสิการความพิจรารณาโดยแยกใครจับเหตุจับผลปัจสถานิสัมโพชงสัมโพชงคือปัจสถานิความสงบก็ต้องมีอาหารเช่นเดียวกันอาหารของข้อนี้ก็คือ กายปัตสัิความสงบกายกิตตปัตสัิความสงบใจกับโยนิโสมนศสิการความพิจารณาโดยแยบคายจับเหตุจับผลสมาธิสัมพพชงสัมโพชงคือสมาธิก็ต้องมีอาหารเช่นเดียวกัน อาหารของข้อนี้คือธรรมะอันเป็นที่ตั้งของสมาธิก็ได้แก่สมาธินิมิตที่กำหนดหมายแห่งสมาธิอภยคันนิมิตนิมิตที่มียอดไม่แตกคือมียอดเป็นอันเดียวกันที่เรียกว่าเอ ก, ก, กขาตา คือความที่จิตมียอดเป็นอันเดียวอันหมายความว่ามีอารมณ์เป็นอันเดียวกับโยนิโสมนสิการพิจารณาโดยแยบคายจับเหตุจับผลอุเบกขาสัมโพดชงสัมโพดชงคืออุเบกขากนไดแก่ ธรรมะอันเป็นที่ตั้งของอุมเบกขากับโยนิโสมนสิการพิจารณาโดยแยบขายจับเหตุจับผลดังนี้ในข้อแรกสมพจน์ชงคือสติต้องมีอาหารคือธรรมะที่เป็นที่ตั้งของสติก็หมายความว่าจะตั้งสติ คือความกำหนดในธรรมะข้อไหนทั้งนี้ก็สุดแต่ภูปฏิบัติภูปฏิบัติจะตั้งสติกำหนดอยู่ในธรรมะคือกรรมฐานเช่นข้ออนนาบานสติก็ได้หรือในพรหมวิหารคือเมตตา กรุณามุติตาอุเบกขาก็ได้ในกรรมฐานข้ออื่นก็ได้เพราะว่าในการปฏิบัติกรรมฐานข้อนั้นๆก็จะต้องเริ่มด้วยการตั้งสติไว้ทางนั้นจะขาดสติไม่ได้ดังเช่น จะเจริญเมตตาหรือว่าเมตตาภาวนาก็จะต้องตั้งสติไว้ในธรรมที่เป็นที่ตั้งของเมตตาคือในการที่เจริญเมตตานั้นก็จะต้องปรารบบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเจาะจงเช่นปรารบ มารดาบิดารรบรรพบุตรหลานประรบผู้ทรงประคุณต่างๆเช่นพระมหากษัตริย์พระราชินีพระโอรสพระธิดาเป็นต้นหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นผู้ทรงคุณ นี้โดยเจาะจงเมื่อไม่เจาะจงก็ปาราบตัดทั้งหลายทุกทุนหน้าดังที่เราตั้งใจกันโดยไม่เจาะจงแผ่เมตตาไปว่าสมเมส ต, ตาสตัดทั้งหลายทั้งปวงสมเมภูตาภูตะคือภูที่ เป็นขึ้นแล้วทั้งปวงสบเป บ, บุกสบเบบุกกรลาบุคคลทั้งปวงสับเบอัตตปริยาปันาตั์ทั้งหลายเราตั้งใจกันโดยไม่เจาะจงแผ่เมตตาไปว่าสับเบสัตตาตัดทั้งหลายทั้งปวง สบเปปูตาผูตาคือภูที่เป็นขึ้นแล้วทั้งปวงสบเป บ, บุกสบเป บ, บุกลาบุคคลทั้งปวงสบเปอัตตะปริยาปันาสัตว์ทั้งหลายที่เมืองโดยอัตภาพทั้งปวงนี่เป็นการที่บรรลบโดยไม่เจาะจง และก็ต้องตั้งใจแผ่ที่เป็นตัวเมตตาเป็นไปในบุคคลแลสัตว์ทั้งที่เจาะจงและไม่เจาะจงนั้นว่ า, าเวลา้นตุจงเป็นภูไม่มีเวรเถิดอา น, นีฆา้นตุจงเป็นภูไม่ เบียดเบียนกันเถิดสุขิตาหุนโตจงเป็นภูบรรลุถึงความสุขเถิดสุขีอัตตารังปริหารโตจงเป็นภูมีสุขรักษาตนเถิดดังนี้การทำใจดังนี้เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาเพราะฉะนั้นจึงต้องตั้งสติ คือความกงหนดไปในบุคคลโดยเจาะจงหรือในสัสตว์ทุกว น, น้าแล้วก็ตั้งสติทำเมตตาให้เป็นไปในบุคคลในสัตว์เหล่านั้นว่าจงเป็นภูไม่มีเวรเถิดดังนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นบุคคลในสัตว์ทั้งปวงกับภาวะของจิตที่แผ่เมตตาออกไปดังกล่าวจึงชื่อว่าเป็นธรรมะอันเป็นที่ตั้งของสติจะต้องมีสติกำหนดตั้งไปดังที่กล่าวและก็เป็นการเจริญเมตตาภาวนา เป็นการเจริญเมตตาซึ่งเมตตาภาวนาจะมาเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยสติสัมโพชงองแห่งความรู้คือสติดังนี้จึงจะเป็นเมตตาภาวนาขึ้นมาและก็จะต้องมีโยนิโสมนสิการคือจะต้อง มีปัญญาที่เป็นตัวความรู้ประกอบไปด้วยคือต้องจับเหตุจับผลต้องรู้เหตุรู้ผลว่าในการทำสตินี่จะต้องมีการตั้งสติคือตั้งใจนี่เองกำหนดกำหนดพิจารณาในอะไรก็ต้องรู้ว่า เมื่อจะทำเมตตาภาวนาก็ต้องตั้งกําหนดไปในสัตว์ทั้งหลายในบุคคลทั้งหลายกําหนดว่ายังไรก็คือกาหนดว่าจงเป็นภูที่ไม่มีเวรมีสุขและก็ต้องรู้ว่าในการที่ตั้งสติกําหนดนี้จิตเป็นอย่างไรจิตกําหนดอยู่ไหมหรือไม่อยู่ และกิเลสอะไรดับไปบ้างเช่นโทสะพยาบาทดับไปไหมในเมื่อตั้งสติกำหนดจิตดังนี้ในเมตตาถ้ายังมีโทสะพยาบาทบังเกิดขึ้นอยู่ในจิตก็แปลว่ายัางเป็นเมตตาไม่ได้ต่อเมื่อ โทษสัพยาบาทต่างๆความกระทบกระทั่งใจต่างๆความห ง, งุดหงิดต่างๆสงบหายไปนั่นแหละและก็จิตมีความมุ่งดีปรารถนาดีแต่เพียงอย่างเดียว <c oughs> จึงจะเป็นเมตตาที่บริสุทธิ์ซึ่งเมตตาที่บริสุทธิ์นี่ นอกจากจะสงบโทสะพยาบาทแล้วยังต้องสงบสิเนหาคือความรักความผูกพันในทางการรมด้วยถ้าเป็นรักถ้าเป็นความรักเป็นความผูกพันในทางการรม <c oughs> ก็เรียกว่าเป็นสิเนหา <c oughs> เป็นราคะ <c oughs> เป็นการมด้วยฉะนั้น ทั้งโทสะพยาบาทก็เป็นศัตรูเป็นอันตรายของเมตตาแม้ศิเนหาราคะหรือกามก็เป็นศัตรูเป็นอันตรายของเมตตาเพราะฉะนั้นจะต้องมีโยนิโสมัติิการคือตัวรู้ <c oughs> รู้ ความเป็นไปของสติ <c oughs> ของจิตของผลที่เป็นตัวกิเลสหรือที่สงบกิเลสไปด้วยกัน <c oughs> และก็ต้องรู้วิธีที่จะสงบถ้าเป็นกิเลสมันเกิดแสกแสงขึ้นมา <c oughs> ต้องรู้วิธีที่จะเจริญสติ ให้ตังมันขึ้นดังนี้เป็นโยนิซอมาติกาทัางนั้นคือต้องมีตัวรู้กำกับอยู่ด้วยตลอดเวลาและรู้นี้ก็ต้องหมายถึงว่ารู้ความเป็นไปของจิตของสติและก็ต้องรู้วิธีที่จะแก้ไขให้เป็นสติที่บริสุทธิ์ และเมื่อมีสติบริสุทธิ์ก็ทําให้เมตตาที่มันเกิดขึ้นเป็นเมตตาที่บริสุทธิ์คือเป็นความรักความปรารถนาดีที่ปราศจากทั้งรักให้ปราศจากทั้งโทสะพยาบาทปราศจากทั้งศรีหาราคะทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นการปฏิบัติจเจริญเมตตาก็ต้องอาศัยสติ สัมโพธชงดังนี้และเมื่อมีสติสัมโพธชงดังนี้เป็นไปได้ก็เป็นอันว่าเป็นวิสัยของปัญญาที่จะเจริญยิ่งขึ้นคือเลื่อนขึ้นเป็นธรรมวิญญาสัมโพธชงสัมโพธชงคือธรรมปิญยะความเลิกเฟ้นธรรมก็เลิกเฟ้นธรรมในใจนี้เองในการเจริญเมตตานั่นแหละ รู้ว่าเมตตาเป็นกุศลธรรมเมตตาในใจไม่ใช่เมตตาที่ไหนเป็นกุศลธรรมส่วนโทษะพยาบาทหรือราคะสิเนหาเป็นอกุศลธรรมไฟราคะสิเนหามีโทษ แต่ว่าฝ่ายเมตตาไม่มีโทษฝ่ายราคะสิเนหาเป็นของเลวของต่ำของสามแต่ฝ่ายเมตตาเป็นของประณีตฝ่ายราคะสิเนหาเท่ากับเป็นสีดำส่วนฝ่ายเมตตาเท่ากับเป็นสีขาว คือรู้จักธรรมะในจิตใจของตนนี้เองที่ผุดขึ้นทันทีเมตตาผุดขึ้นกก็รู้ว่านี่เป็นกุศลไม่มีโทษประณีตขาวเมื่อโศภยาบัติหรือราคะสินนหามันเกิดขึ้นค่อยรู้ว่านี่เป็นอกุศล มีโทษเลวและดำคืออะไรผุดขึ้นในใจในการเจริญเมตตานี้ก็รู้ทันทีดังนี้เรียกว่าธรรมวิจัยเพราะฉะนั้นในการที่ปฏิบัติเจริญเมตตาก็ต้องมีธรรมวิจัยดังนี้ประกอบมันไปด้วย และก็จะต้องมีธรรมะอันเป็นที่ตั้งของธรรมวิจัยก็คือที่ให้รู้ว่าธรรมะที่บังเกิดผุดขึ้นในใจนี้อะไรมีอะไรเป็นกุศลอะไรมีเป็นกุศลเป็นต้นดังที่กล่าวและก็จะต้องมีโยนิโสมัสิการตัวปัญญาตัวรู้ที่กำกับไปด้วยดังเช่นที่กล่าวแล้วในข้อสติและเมื่อ วิจัยทําได้ถูกต้องดังนี้แล้วก็เลื่อนขึ้นไปเป็นวิทยะสัมโพุทธชงสัมพุทธชงคือวิทยะความเพียรคือว่าเพียนละฝ่ายอกุศลเพียนอบรมแต่ฝ่ายกุศลให้มันเกิดขึ้นคือว่าเพียนละฝ่ายที่เป็นโทสะพยาบาทหรือเป็นราคะศีเนหา แต่เพียรทำฝอยที่เป็นเมตตานี้ให้บังเกิดขึ้นและให้ตั้งอยู่ดังนี้เป็นวิริยะคือความเพียนซึ่งจะต้องมีความทรงตัวขึ้นได้ของความเพียนอันแริเริ่มเพราะว่าจะตั้งความเพียนขึ้นได้ก็ตั้งตนด้วยความริเริ่ม เมื่อริเริ่มเจนริเริ่มละฝ่ายที่เป็นอกุศลริเริ่มทํำไฟที่เป็นกุศลก็เป็นอันว่าได้เริ่มตั้งความเพียรขึ้นเป็นความทรงตัวขึ้นได้ของความเพียรี่ใช้คําว่าธาตุหรือธาตุซึ่งแปลว่าความทรงอยู่ ก็คือความทรงตัวขึ้นในของความเพียรและเมื่อนี้เริ่มขึ้นทำให้เป็นความทรงตัวขึ้นในของความเพียรทีแรกแล้วก็ต้องดำเนินเพียรต่อไปเพียรละต่อไปเพียรอบรมต่อไปให้ความเพียรตั้งอยู่ได้และก็ต้องมีการปฏิบัติให้ก้าวหน้าต่อไปจนกว่าจะสำเร็จ ไม่ล้มเลิกเสียในระหว่างระหว่างให้ความเพียรตั้งอยู่ตลอดไปดังเช่นว่าเมื่อมีโศภะพยาบาตหรือราคะสินหาบังเกิดขึ้นในระหว่างที่จเจริญเมตตาก็ต้องเริ่มตั้งความเพียรที่จะละดาเนินการละต่อไปจนถึงละได้ คือทำให้สงบโทสะพยาบาทหรือราคะสิเนหาที่มันเกิดขึ้นนั้นได้และก็ตั้งความเพียรทำเมตตานี้ให้มันเกิดขึ้นในจิตให้เป็นเมตตาที่บริสุทธิ์ดำเนินเพียรต่อไปเพิ่มให้เมตตาจเจริญขึ้นตั้งอยู่จเจริญขึ้นและ ให้ก้าวหน้าต่อไปจนถึงเมตตานั้นสาเร็จเป็นเมตตาภาวนาอย่างเต็มที่เป็นเมตตาบริสุทธิ์ที่ผลขึ้นในใจปราจากโทสะพยาบาทหรือราคะสนหาสิ้นเชิงเป็นเมตตาที่บริสุทธิ์ดังนี้ก็เป็นปริยะสมโพธิชงในเมตตาและเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะ เลื่อนขึ้นเป็นปีติสัพโยชงสัพโยชงคือปีติคือความอิ่มใจความดูดดื่มใจก็เพราะว่าจิตนี้เมื่อได้ปฏิบัติขัดเกลวให้บริรสุทธิ์สะอาดจากเครื่องเศรามองจิตเมื่อเจริญเมตตา เมตตาก็เป็นเครื่องขัดเกลาจิตให้บริสุทธิ์จากโทสะปยาบาทจากราคาเสนีหาปรากฏเป็นเมตตาที่บริรสุทธิ์แจ่มใสจิตใจดังนี้ก็เป็นจิตใจที่แจ่มใสสะอาด จ, จึงบังเกิดปีติความอิ่มใจความดูดดื่มใจขึ้น ในเมตตาที่บริสุทธิ์นี้ขึ้นเองเป็นปิติความอิ่มใจก็เป็นปิติสัมโพชงในเมตตาและเมื่อเป็นดังนี้ก็เลื่อนขึ้นอีกเป็นปัจสติสัมโพชงสัมโพชงคือปัจสติความสงบคือกายที่ประกอบในเมตตานั่งกล่าวก็สงบจิตก็สงบ และเมื่อกายและจิตสงบดังนี้ก็เป็นกายและจิตที่มีสุขจึงเลื่อนขึ้นเป็นสมาธิสัมโพชงองของสัมโพชงคือสมาธิคือจิตจะสงบตั้งมัน่นจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายด้วยเมตตาจิตที่เป็นสมาธิดังนี้ ย่อมตั้งอยู่บนพื้นฐานคือความสงบกายสงบใจซึ่งเป็นตัวความสุขจิตที่มีความสงบความสุขเป็นพื้นฐานดังนี้ก็ตั้งมันเป็นสมาธิได้สงบจากกามสงบจากอคติธรรมนะครับอกุศลธรรมทั้งหลายด้วยอำนาจของเมตตาเพราะฉะนั้นการทำกิจภาวนาอบรมกรรมฐ า, านข้อมตตา เมื่อได้ถึงขั้นนี้ก็ได้สมาธิที่สืบเนื่องมาจากเมตตาและเมื่อได้สมาธิดังนี้ก็เลื่อนขั้นขึ้นไปเป็นอุบเบกขาสัมโพชงสัมโพชงคืออุบเบกขาอันได้แก่ความที่จิตนี้เข้าเพ่งเคยอยู่ในจิตที่เป็นสมาธินั้น มีลักษณะเป็นจิตที่วางกามและอกุศลธรรมทั้งหลายเป็นจิตที่เฉยคือไม่วุ่นวายสงบดังที่เรียกว่าวางเฉยวางเฉยอยู่ในภายในแต่วางเฉยในความรู้แต่เป็นความรู้ที่สงบอยู่ในภายในไม่ยึดถือ อะไรไม่วุ่นวายอะไรความที่ไม่ยึดถืออะไรไม่วุ่นวายอะไรอันเป็นตัวอุเบกขานี้จะมากหรือน้อยเพียงไรก็อยู่ที่ขั้นของการปฏิบัติอันสืบมาจากสมาธิแต่สมาธินี่ี่เป็นสมาธิขั้นสูงก็ต้องเป็นสมาธิที่ประกอบด้วยอุเบกขาและเมื่อสูงมาก ก็ปรากฏเป็นอุเบกขาและเอกคตาคือความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวเป็นอันว่าสมาธิกับอุเบกขานั้นรวมกันเป็นสมาธิอย่างสูงได้ดังที่แสดงถึงจตุตฌานฌานที่สี่ของรูปฌานก็แสดงว่ามีองค์สองคือเอกคตา ความทีจิตมีอารมณ์เป็นอนดีจและอุเบกขาดังนี้ดังนี้ก็เป็นอุเบกขาสังขุชงในเมตตาเพราะฉะนั้นการทํากรรมาฐานเจริญเมตตาก็ต้องอาศัยปฏิบัติตามหลักของพุทธชงทั้งเจ็ดนี้นั่นเองและเมื่อปฏิบัติตามหลักของโพุทธชงทั้งเจ็ดนี้ก็จะ ได้สมาธิได้อุเบกขาอันเป็นสมาธิชั้นสูงแต่ก็อาจแยกออกได้เป็นสองเป็นสมาธิเป็นอุเบกขาแล้วฉะนั้นในการปฏิบัติทำเมตตาภาวนานั้นก็ได้ปฏิบัติทำเมตตาภาวนานด้วยได้ปฏิบัติในโพชฌงค์ทั้งเจ็ดด้วยหรวพ่ทเจ้า ไ, ได้ตรัสโพชฌงค์ทั้งเจ็ไว้ ในฐานะที่เป็นหลักปฏิบัติของธรรมะทั้งปวงของกรรมฐ า, านทั้งปวงดังเช่นที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสรรุดและตั้งใจทำควาสมสงบสืกต่อไป